ทนี้อย่างคําว่าพิจารณาเห็นกายของเราเนี่ยกายของเรามันคืออะไรไอ้ตรงนี้แหละที่จะต้องแม่นยํำมาก่อนกายคืออะไรเนี่ยนะสุตะต้องคล่องแคล่วเลยอะ่ะกายคือมหาภูต ร, รูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสี่หรือกายคือปฐวีธาตุอาโปธาตเตโชธาตุวาโยธาต์แล้วกายอันนั้นมีอะไรเป็นสมุทฐานมีอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยนะแล้วก็ใส่สูตรเข้าไปเนี่ยนะจะต้องอันนี้แม่นยํามากหรือบอกเออนั่นก็ นีน่ี่มันปัจจุบันเนี่ยคุณกำลังนึกถึงคำว่ามหาพูดใช่ไหมทำไมไม่กำหนดไอ้ปัจจุบันนั่นละ่ะจบเลยใช่ไหมทานอาจารย์เออใช่ใช่นี่นะท่านนึกอย่างนี้น่าจะได้ดีตามเถออย่างว่าใครติดตามให้มันทันยิ่งทันจิตปัจจุบันเท่าไหรนะ่นะเกือบป่วยเลยแหละเชื่อเหรออชัยบอกมาอาจารย์บินชยัยอื ม, น, ออมอออน้ อ, อก็มาไล่ฟังก็จกรออกอื่นป่วยเยอะ บ อ, อกกรรมฐานาก็ขายยากินก็บอกว่าที่โรงพยาบาลที่ก็ตั้งใกล้สํานักปฏิบัติบางแห่งเนี่ยลําบากต้องจ่ายยาให้ใ ห, ให้ให้กับพระเนี่ยนะเพราะพระกรรมฐานเขาบองั้นจะต้องจ่ายยาให้เพราะว่าท่านต้องรีบเจริญให้มันทันปัจจุบันคือถ้าไว้ฟังเป็นเรื่องสนุกสนุ ก, นกเป็นอาหารอะไรนะอาหารกินเล่นอะนะไม่ได้คิดจะกินจริงจังอะไรอะไม่ค่อยมีปัญหาหรอก แต่ถ้าลองตั้งเล่าว่าเออนี่นะทางนี้แหละที่จะช่วยให้ชัดนี้ออกจากวะตะนะทุ่มเทเจริญเต็มที่เลยสละโลกสระเมียสละสระพัด ท, ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปทุ่มเทให้หลักการ น, นั้นนะันะดูจะได้อะไรกลับมาก็นะก็คิดว่าจะเรียกว่าคุ้มค่าไหมนะก็ดูว่าทิ้งเรืออะไรทุบหม้อข้าวไปแล้วเนี่ยจะได้ดีหรือเปล่านะก็ลองดูฮะเชื่อกระถางยังกีสอนดู ผ่านมาเยอะแล้วไปเจริญมาทุกหนทุกแห่งนยงไัดาน้วไปอยู่ีเชาเลยบอก่ขไปเชียงใหม่ก่อนทีจะับ่นเไวน้เลยดีนะเพราะอันนี้สองการปฏิบัตินะคือตัวคำว่าปฏิบัติเนี่ยนะสมัยใหม่เชื่อไหมว่าเจริญอิริยาบถกันนะ ไม่ได้ปฏิบัติจริงๆอะไรเจริญเจริญเจริญอพยากตะนะไม่ได้เจริญตัวเช่นว่าติดตามให้มันทันความรู้สึกทุกอาการกําหนดให้มันทันผัสสะทุกผัสสะแสดงว่าเรามุ่งเจริญตัวตัวอะไรตัวอารมณ์เจริญอารมณ์นะไม่ใช่เจริญปัญญาที่ไปรู้อารมณ์เช่นว่าบางคนเนี่ยดีไม่ดีเนเจริญอิริยาบทเนี่ยนะ คือเดินให้มันอยู่กับเดินเนี่ยโอถ้าเดินได้เป็นไปตามแบบฟอร์มของเขาโอ้เยี่ยมก็เจริญอิริยาบทอีกไลน์หนึ่งนะวันนี้นั่งได้กี่ชั่วโมงเขามาแข่งกันนะชั่วโมงน้ําชากาแฟก็มาคุยกันแล้วใครนั่งได้นานเท่าไหรนะนั่นแหละก็มาแข่งกันว่าใครนั่งได้นานใครนั่งได้ทนใครเดินได้นานเดินได้ทนเดินได้มากใครนั่งได้นานได้ทนได้มากใครทนเจ็บปวดได้มากที่สุด ถามว่ามักแปดข้อไหนอ่นะก็ ก, ก็ยุคนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงจรนะี่นก็ก็หลักการเขาเป็นอย่างนั้นนะคือเราต้องคิดดูนะว่าถ้าเจริญตามนั้นทุกกระบวน่านนะสมมติถ้าเราแบบไม่ลักษณะผรีถามไารนะเราไปศึกษาโดยหลักการหลักวิชาอันนั้นให้มันเยี่ยมจริงๆว่าเพียงพอหรือที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ แต่ว่าในยุคนี้เขาบอกว่ามาปฏิบัติดูก่อนนะนะก็ระบาลงมือลงไม้ปฏิบัติเลยนะก็เหมือนอย่างว่าเราเนี่ยไปหาหมอใช่ไหมปวดท้องอ่ะนะก็บอกว่าหมอเขาเนี่ยเขารักษาเรื่องนี้เขาเขาชมว่าดีมากเราก็ปวดท้องอ่ะนะหมอก็บอกต้องผ่าดูก่อนนะว่าคุณเนี่ยเป็นอะไรขอผ่าอย่างเดียวเลยนะถามว่าหน้าเสียงไหมนะนะไม่หน้าเสียงนี่ก็เหมือนกันบอกขอมให้ปฏิบัติอย่างเดียว คนไข้ ย, ยุคนี้ก็ลักษณะนั้นขอให้หมอผ่าโดยส่วนเดียวเนี่ยนะไปขอผ่าอย่างเดียวกับหมอเขาขอแต่ผ่าอย่างเดียวฉันใดการปฏิบัติในยุคนี้ลักษณะนั้นหมดเลยนนก็มันก็เลยพิการกันแทบๆนะนะรอดตายม่ได้ก็ดีแล้วนะนะจะจุติตอนนั้นกับตัวใครกับตัวใครละคติสอง คือท่านเดินจริงแต่ว่าท่านไม่ได้เจริญตัวอิริยาบถ ท, ท่านเจริญตัวมัดแปดอิริยาบถเนี่ยนะคือจับโลกนะไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนใช่ไหมโลกนี่นะใครอยู่พ้นสี่อิริยาบถบ้างอยู่ด้วยอิริยาบถตีลังกาเนี่ยนะนี่นานๆสักครั้งหนึ่งนะยินนสติอย่างเงี้ยพวกอย่างเงี้ยไม่ไม่ถือว่าผิดปกติของชาวโลกอนะ ถ้าอยู่ในโลกมันก็อยู่ด้วยอิริยาบถสี่ไม่ยืนก็เดินไม่เดินก็นั่งไม่นั่งก็นอนก็ไม่อยู่เท่านี้แหละแล้วถามว่าถ้าถือเอาการยืนการเดินการนั่งการนอนเป็นตัวปฏิบัติใครบ้างในโลกนี้ไม่ปฏิบัติใช่ไหมไม่มีใครที่ไม่ยืนไม่เดินไม่นั่งไม่นอนเนี่ยมันต้องเป็นไปกับยืนเดินนั่งนอนทั้นตัวมรรคแปดเจึงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวอิริยาบถไม่ใช่ตัววิบากกรรมชรูป ไม่ใช่ตัวอัพยากตธรรมแต่เป็นตัวมรกแปนะสัมมาทิฏฐิรู้อะไรไอตัวนั้นต่างหากเดินก็เดินไปยืนก็ยืนไปนั่งก็นั่งไปนอนก็นอนไปแต่ว่าเจริญมรกแปดเป็นประมาณอิริยาบถพ อ, องเกี่ยงไหมเกี่ยงว่าทำไมมร์ไม่เกิดะอิริยาบถนั้นๆเนี่ยนะทำไมสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจไม่เกิดในขณะเดิน ทำไมเดินอยู่ไม่คิดอริยสัจทําไมนั่งอยู่ไม่พิจารณาอริยสัจทําไมนอนอยู่ไม่พิจารณาอริยสัจ ต, ต่างหากแล้วนะแต่อาจจะตําหนิเรื่องอิริยาบถนอนพอสมควรเพราะอะไรเ <c oughs> พราะนิ่งก็เป็นหลับแล้วนะะ <c oughs> ก็เลยมุ่งค่อนข้างตําหนิหน่อยไม่เชื่อหลังอาหารนะอ๊ย้ยสปายะนักเลเติรนขึ้นมาดีไหมอาหารในย่อยตัางหาก ใช่ก็เคยไอ้ไม่นอนเนี่ยนะเชื่อไหมครัมาทําบางอย่างหลายครั้งมากก็ไม่ค่อยหลับไม่นอนนะนะทําทั้งคืนทํางานบางอย่างเนี่ยนะก็คุณตัวจีนนี่ก็ทนนักทนอยู่แล้วก็ขเขาก็ไม่ค่อยนอนอะไรใช่ไหม อ, อยู่เวรทั้งคืนอย่างเงี้ยนะเช้ามาก็แอบไปงีบสัหน่อยเดียวหนะ่อยก็ไปต่ออีกแล้วอย่างเงี้ย น, นะถ้าจะได้ดีเพราะไม่หลับไม่นอนเนี่ยนะได้ดีไปนานละพวกเข้ายามทั้งหลายได้ดีหมดเลย แต่ว่าจริงๆแล้วนะให้เจริญมรรคแปดเถอะพยายามทําความเข้าใจมรรคแปดเถอะเคยยืนเดินนั่งนอนนะตอนนี้เราก็นั่งไม่ใช่หรือได้อีกภาคหนึ่งเราก็จากเดินไม่ใช่หรืออีกภาคหนึ่งเราก็จากนอนไม่ใช่หรือแล้วตัวเจริญจริงๆอคืออะไรเพราะฉะนั้นมรรคแปดเนี่ยต้องทําความเข้าใจให้ดีๆเนี่ยนะทีนี้มรรคแปดในการเจริญเนี่ยสัมมาทิฏฐิรู้อะไรเนี่ยนะรู้ว่าอย่างไง ร, รู้แล้วดีอย่างไง อันนี้แหละต้องมาฝึกซ้อมๆถามตัวเองดูบ้างไม่งั้นนะเราก็เป็นคนหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งนะดีไม่ดีก็เป็นคนอะไรนะจา์ท่านหนึ่งบอกว่าอย่างนี้มันก็ฝันเงินชัดๆนี่นี่นะท่านพระพุทธเจ้าสอนให้เราทั้งหลายฝันหรือไม่ใช่นะแต่ว่านี่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่เพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยทนศึกษาที่ เราไม่ค่อยทนศึกษานะไม่ใช่มคัมภี์ไม่ทนต่อการให้ให้เราศึกษาแต่ว่าเราด้วยเหตุผลหลายๆประการเวลาน้อยบ้างอะไรบ้างมันใครที่มาขอถ้าให้มาสอนกรรมฐานในระยะเวลาสั้นๆ น, นะเขามากลัวจริงๆไม่รู้จะบอกเขาว่ายังไงคือสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะถ้าผู้ใดสนใจหลักฐานจริงๆนะ ที่ว่าวิปะนะัสสนานั้นเป็นกิจการงานทางใจนะเกิดที่ทางมโนทวานนะีอันนี้หลักฐานชัดเจนมากเลยท่านไปเปิดดูได้ในวิพังค์เล่มสองหน้าเท่าไหร่ไ ม, นะม่ทราบวันนั้นในญาณวิพังนะยานวิพนะ<ม>ังอัตถกถาในายาณวิพังและอัตถกถานะบอกไว้ชัดเจนเลยนะวิปัสสนาและสมถานั้นเกิดที่มโนทวานนะเพราะฉะนั้นใ น, ในปัญจทวานเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องวิญญาตทั้งหลายเนี่ยมันยังไม่มีเลยในปัญจทวานเนี่ย กายักยันยัดพจน์ยันยัยังไม่เกิดไม่ได้เลยอ่ะถ้าเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยนะถ้ามุ่งเป็นการเจริญปัญจทวารเนี่ยจะไม่มีศีลเลยเพราะถามว่าความทุศีลเกิดที่ทวารไหนปัญจทวาร น, นะนั่งนิ่งนิ่งคิดอกุศลไ ม, ไม่ยังไม่พระพิสูจน์นะยังไม่เป็นอาบัตินะต่อเมื่อดูจึงเป็นเช่นดูการฟ้อนรำเป็นต้นเน่ยนะต่อเมื่อฟังจึงเป็น แสดงว่าปัญจทวารไม่ได้ดีจริง น, นะครเมื่อโสตทวารฟังเพลงมุ่งฟังเพลงอันนี้จึงทุศีลนนยเมื่อคารณทวารมุ่งไปดมอะไรบางอย่างก็ทุศีลกายทวารไปจับบางเรื่องเนี่ยมันทุศีลเนี่ยนไอความทุศีนมันอยู่ที่ปัญจทวารบางอย่างอยู่ที่ชิวหาทวารถ้าไม่กินสัอย่างเดียวไม่ผิดศีนเพราะฉะนศีลทั้งหลายเนี่ยห้ามการบริโภคเบญจา ก, กา ม, มคุณ เพราะถ้าหากว่าการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะมุ่งมุ่งกำหนดหรือเจริญปัญจทวาร น, นะเชื่อไหมในที่สุดศีลจะรักษาไม่ได้นะจะไม่รักษาศีลพระพิสูจน์หลายรูปเนี่ยนะมุ่งตามเจริญให้มันทันปัจจุบันหรือมุ่งเจริญกำหนดปัญจทวารเสียศีลแต่เยอะแล้วแนะม้กระทั่งศีลอย่างรักษาไม่ได้นะจะตุปปริสูทธิศีลก็ลดลงลดลงลดล ง, ลดลงในที่สุดไม่เหลือศีลเลย โดยผ้า่ายังรักษาไม่ได้นะจะพูดอะไรมากไ อ, อมาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า<ม>การเจริญหรือการปฏิบัตินั้นะนะเป็นเรื่องของผู้ที่สั่งสมบุญไว้มากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าเราทำมามากหรือทำมาน้อยก็มาศึกษามาเจริญดูถ้าน้อยก็จะได้ทำให้มากสะกทีทามากอยู่แล้วเกือบบรรลุแล้วนยนะก็มาเอาอยางเงี้ยกันนะนะ สรุปว่าพระนิพพานนั้นที่เรียกว่าเห็นได้ยากเพราะว่าเป็นของคนมีบุญน่ะนะสมจริงดังพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนมาคันธยะก็ท่านไม่มีปัญญาจากสูขอันเป็นอริยะที่เป็นเหตุให้ท่านรู้ความไม่มีโรค น, นะนะทั้งเป็นเครื่องเห็นพระนิพพานเนื่องจากท่านไม่เห็นกายนี้ว่ามันคือตัวโรคจิตของท่านเลยไม่เห็นพระนิพพานที่สงบจากกายสงบจากโรคเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากอะไร เนื่องจากว่าไม่มีจักสุคือปัญญาจักสุอันเป็นอริยะไม่มีวิปัสนาไม่มีอริยมรรคพอที่จะเห็นพระนิพพานอะอีกในหนึ่งพระองค์ก็ตรัสว่าแม้ฐานะเช่นนี้เนี่ยนะคือความสงบแห่งสังขาร น, นี้ก็เห็นได้ยากคือสังขารนนะสมมุติว่าเราแค่เอา จักขู่มาทำปริญญาโสตะมาทำปริญญาคาณนะ์ชิวหากายะเป็นต้นที่มันเป็นธรรมะที่ห ย, ยาบๆเป็นสังขารขันเนี่ยนะมาเพ่งมาพิจารณายังยังยากเลยจะกล่าวปยายถึงตัวเหล่านี้ที่มันสงบละเอียดจากสิ่งเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเนี่ยจะยากปานใดแต่ก็ยากถามว่าดีไหมมีคนไหมเป็นต้นเนี่ยนะราที่ที่เราจะต้องโอนไปใช่ไหม ก็ถ้าเด็กนักเรียนทั้งหลายขึ้นบอกโอ้แม่หนูไม่เรียนหรอกยากจายรร์ก็ดูดุย่างไง น, นะถามจะได้ดีไหม د, ก็ไม่เป็นได้หนูไปเย็บผ้ากันแล้วกันบทว่าอันตังความว่าตัณหาชื่อว่านตะตัวสภาวะของตัณหาเนี่ยนะมีชื่อว่านตะเพราะน้อมไปในอารมณ์มีรูปเป็นต้น ม, ม, มันมันมันดึงไปหาสีหาเสียงเป็นต้นเนี่ยนะตัณหามันน้อมไปลักษณะนั้น และตัณหาเนี่ยมันดึงไปในภพมีการมาพบเป็นต้นในชั้นแรกเนี่ยใครจะรู้ว่าตัณหาที่มันดึงไปหาสีเนี่ยมันดึงไปหาภพด้วยในตัวเนี่ยนะขณะที่เราดึงไปเพื่อจะเห็นเนี่ยนะตัวนั้นอะดึงไปหาภพอยู่แล้วดึงหูเพื่อไปได้ยินเสียงนะแค่งเงี่ยโสดลงฟังใครจะรู้ว่าตัณหาตัวนั้นเนี่ยนําไปโศภพใหม่ เป็นธรรมชาติที่นำไปสู่พบใหม่ถ้าตันหาแบบในโลกที่เราเห็นเห็นนี่เราก็รู้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าตันหาที่เป็นอายุหนะประมวลนามาซึ่งพบใหม่อันนี้เรานึกยากเลยนะนึกตามยากที่จะเพราะอะไรเพราะไม่มีกรรมมสกตาเนีนะก็ใครเจริญโลกาเนีโรทสูตรเนี่ยนะถือว่าเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์จริงๆฝึกเจริญเอาไว้เถอะสาธยาบ่อยๆนะว่าอาศัยจากโขกับรูปจนถึง เป็นปัจจัยให้เกิดชาติชรามรณะเป็นต้นเนยนะในทวารทั้งหกทุกทวารเนี่ยจะเข้าใจเลยว่าวัตะเนี่ยมันขยายไปยังไงตัณหาเนี่ยเป็นไปโดยภาวะที่น้อมไปในอารมณ์และในกามเพราะสาตทั้งหลายเนี่ยน้อมไปในอารมณ์และในกามมพบเป็นต้นนั้นก็เพราะอาศัยตัวตัณหาที่ชื่อว่านาตะไอตัวตัณหาตัวนี้แหละเป็นตัวที่ น้อมไปหาอารมณ์น้อมไปหาการน้อมไปหาพบน้อมไปหาจุติและปฏิสนธิเนี่ยนะก็อย่างว่านะถ้ามองเห็นสีปับ๊บถ้าจุติตอนนี้เนี่ยสีที่เห็นเห็นนี่แหละคืออะไรนิมิตบางอย่างเป็นกรรมนิมิตอารมณ์บางอย่างเป็นคตินิมิตอารมณ์สมมตินะพูดง่ายๆคุณผู้ชมถ้าไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอนะดูเสร็จแล้วจุติตรงนั้นนะเปอร์เซ็นต์อยู่ในคันก็สูงนะ น, นะ น, นะตั้งแต่สอนดีที่ได้เป็นมนุษย์ใช่ไหมจะได้มาเรียนต่อทิ้งกระเป๋าไม่ใช่เรียนธรรมะนะเพ <laughs> ราะว่ากว่าจะได้เรียนธรรมะเนี่ยนะงองพระรามแล้วนะจึงได้มาเรียนหกสิบห้าแล้วจึงได้มาเรียนเนี่ยนะเขาจนเกียนจนเลอกเขาเลิกจ้างงานหมดแล้วนะจึงได้มาเรียนนะ ยากจริงอี ก, อ, กอีกชื่อหนึ่งเนี่ยนะนิพานเนี่ยอาจจะชื่อว่าอนันตังก็ได้เพราะนิพานเนี่ยเว้นจากที่สุดคือไม่มีจุติธรรมอันเป็นความดับสนิทเรียกว่าเป็นอมะตะคือเป็นสภาวะที่แท้นิพานนี่จะเรียกว่าอนันตาก็ได้ไม่มีที่สุดคือที่สุดของแต่ละอย่างนี่เราเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเช่นเนี่ยที่สุดของสิ่งนี้เอาบนเอาล่างก็คือเอาขอบเขตของมหาพูหรือเอาขอบเขตของปัจจัยเป็นเครื่องวัดใช่ไหม สิ่งที่ไม่มีปัจจัยนี่เราจะอะไรเป็นเครื่องวัดว่ามันสุดณตรงนั้นตรงนั้นมันนิพานจึงไม่มีที่ที่สุดเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่อากาศนะพราะนิพานไม่ใช่อากาศถ้ามีนิพานคืออากาศนะบรรลูกกันทุกคนใครไม่เคยลืมตาดูฟ้าบ้างนะมันแน่นะตาบอดอาชิญปฏิเสธนะแต่อาจารย์บางพวกกล่าวความแห่งบทว่าอนันตังเป็นอัปปมานังว่านิพานนี้อัปปามณนะก็แปลว่า ไม่มีที่สุดเหมือนกันเนี่ยอนันตังหรืออัปปามาณะมีความหมายเหมือนกันก็ในคําเหล่านั้นด้วยคําว่าทุทสสังนี้ทุทสาสังแปลว่าเห็นได้ยากเนี่ยนะพระองค์แสดงถึงความที่พระนิพพานอันสัตว์พึงถึงได้ยากว่าการที่สัตว์ทั้งหลายกระทําพระนิพพานอันหาปัจจัยไม่ได้ให้เกิดไม่ใช่ทําได้ง่ายเพราะสัตว์เหล่านั้นถูกกิเลสมีราคะเป็นต้นทําปัญญาให้ทุรพลมีมานานเนี่ยนะก็ ถ้าคิดในหนึ่งนะเราเห็นอารมณ์ปั๊บกำหนัดเลยถ้าสวยนะถ้าถ้าน่าปราถนาเนี่เห็นกําหนัดปับ๊บถ้าไม่ดีขัดเคืองเลยแล้วก็ไม่เคยน้อมไปพิจารณาวัตถุนั้นว่าประกอบไปด้วยอะไรขันธท่าอรายาาศาศาิยตนะสัจจะอินทร์ปฏิจจะแค่ไหนไม่น้อมไปพิจารณาอย่างนี้เลยเรียกว่าลุ่มหลงไม่ราคะก็โทสะไม่โทสะก็โมหะมันไปอย่างนี้มันจะไปรู้นิพพานไะด้ยังไงเนี่ยนะมันก็ตัว นีวอร์เนี่ยมันทำปัญญาให้ทุรพลมานานแล้วเนี่ยนะก็แปลว่าเป็นคนพิการมานานเต็มทีแล้วทุระทุพรพลเนี่ยพลก็แปลว่ากําลังเนี่ยนะทุระแปลว่าชั่วนะเช่นทรชนทุรชนนี่อันเดียวกันเนี่ยทรชนทุรช น, รชนก็คือคนชั่วทุรพลก็แปลว่าคนไม่มีกําลังคนหมดเรีย่ยวหมดแรงอ่ะนะคนไม่มีแรงอ่ะนะนีวร์เนี่ยมันทําให้หมดแรงมานานแล้วเนี่ยนะ ราคะโทรศัโมหะมันทําให้อ่อนแรงมานานเต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยโยนไปในภพสามนี่แหละนิพานนี่มีชื่อว่าสัจจังสัจจังสัจจังนี่เป็นเรียกว่าเป็นความจริงใช่ไหมสัจจะนิพานนั้นชื่อว่าสัจจะเพราะอัดว่าไม่ผิดแพกเป็นเห ต, เเหตุเป็นคุณชาติสงบโดยแท้จริงทีเดียวเพราะไม่มีสภาวะอันไม่สงบโดยประยายนไหน เขาเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่สงบใช่ไหยสัจจังเนี่ยจริงจริงมากแต่เป็นความจริงที่สงบก็ย่างว่านะเขบอกว่าคนฟุ้งซ่านนึกถึงความสงบนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงนะนี่ก็ลักษณะเดียวกันถ้าคนที่ไม่วิจัยตัวสังขารธรรมโดยประการทั้งปวงจะนึกไม่ออกว่าสงบสังขารเนี่ยมันดียังไงเนี่ยนะ เหมือนกับว่าคนที่ไม่เคยคิดว่าชีวิตที่มันวุ่นวายขัดข้องเนี่ยมันเต็มไปด้วยความวุ่นวายขัดข้องเนี่ยจะนึกไม่ออกว่าไอ้สงบมันเป็นยังไงเพราะมันมันสุกอยู่อย่างอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะมันพระนิพพานนั้นไม่มีสภาวะที่ทำให้เขาฟุ้งโดยประการทั้งปวง อันหนึ่งพระนิพพานนี้ชื่อว่าไม่ใช่เห็นได้ง่ายคืออันใครๆไม่พึงเห็นได้โดยง่ายเพราะถึงจะรวบรวมบุญญาสมพานยาณสมพานมาตลอดกาลนานก็ยังบรรลุได้โดยยากทีเดียวถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุง่ายหรือยากพระองค์จึงเลยบอกว่าพระนิพพานเนี่ยเราบรรลุได้ยากคือพระองค์นะตัวพระองค์ยังบอกว่ายากนะขนาดสังสมมาสี่อาสงขยัยแสนกลับเลยใช่ไหม ยังบรรลุยากเลยว่างน้นเด๋อพะฉะนั้นจึงควรแล้วที่จะพาคเพียร น, นะนะพูดอย่างนี้เลยกินลูกท้อเข้าไปเลยได้ดีไหมโอ้ถ้าได้ดีนะมีคนได้ดีเยอะมากแล้ววันนี้ไม่ใช่นะก็ก็คือแปลว่ามันต้องใช้เรี่ยวแรงใช้ความแรงใช้ความบากบัน่นใช้ความอดทนแต่ถ้าไม่อดทนเจริญอย่างนี้นะเราจะต้องไปทนในสิ่งที่ไม่ควรท น, ทนเช่นไม่ทนศึกษาธรรมะเพื่อพ้นทุกข์นะแต่ว่าเราทนให้คนอื่นเขาด่าเอา ทนเจ็บทนป่วยทนเฝ้าวัตตาเนี่ยนะทนทรมานเนี่ยเอ่ยอย่างนั้นทำไมมันทนได้ก็ไม่รู้นะทนกันอยู่ได้ตั้งนานนะแต่ว่าทนศึกษาธรรมะให้ออกจากวัตตะมันทนไม่ได้เออมันน่าคิดนะทําไมมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้สมมุติว่าไปทํางานบางอย่างนะร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยพอมาเคยทํางานเข้าสองทุ่มออกแปดโมงเข้าแปดโมงออกสองทุ่มเนี่ยนะแล้วก็ฝุ่นตลบไปหมดนะโอ้ทนอยู่ได้ตั้งนานเนี่ยนะเอ๊ะทำไมเพ่งอริยสัจทําไมไม่ทนขนาดนั้นบ้าง ก็นั่งนึกเอแต่ว่าไอ้ที่อย่างนั้นอนะทนได้กลับหลายๆเรื่องก็เหมือนกันนะทำงานทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทําไมทนได้ที่มาคิดอริยสัจเอ๊ะมันทําไมไม่ค่อยทนอะนะัก็ทําไม่เห็นว่าการเห็นสิ่งที่เป็นสาระเราวิบัติไปว่าอะไรคือสาระกันแน่เนี่ยนะนะบางอย่างนะอ้ยตัวทนจริงๆเมื่อก่อนในรอบๆด้อมๆจ้องเพื่อจะยิงสัตว์นะทนทําได้ทั้งคืนเที่ยงไห สองสัตว์เนี่ยส่องได้ทั้งคืนเนี่ยนะตั้งกับหัวค่ำยันสว่างคาตาเนี่ยเพื่อจะหาค่าสัตว์เนี่ยนะโอ้ยทนแต่แต่แ ต, ต, ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอ่านพระไตปิดกแบบนั้นเลยแต่แสดงว่าโอ้โหวิบัติมากเล่นไพ่แค่สองวันเอง <c oughs> นั่งถางตาอยู่สองวันเ <c oughs> อมานี่ยมพ่อยังเคยไปตามเลยนะ <c oughs> เล่นอยู่สองวันละ สองวันนะไปกแม่กินแทบไม่ได้กินอะไรเลยนะพ่อเขาไปตามก็บอกลูกเอ้ยตระกูลเรามันไม่รวยเพราะพวกนี้หรอกพวกนั้นตังอันนั้นก็เลยเลิกเลยจำได้ทุกวันเลยอนะเพราะนั่งเล่นอยู่สองวันเลยนะเล่นแบบเด็กๆ ก, กันนะเล่นจริงๆเลยนะโอ้ยนั้นทนมากเลยนะสองวันเลยนะสองวันกันเอ้ สองคืนกับหนึ่งวันน่ยนะโอ้โทนมากแต่ว่าเชื่อว่ายัางไม่เคยนั่งพับเพียบเพื่อกำหนดกรรมฐานานานขนาดนั้นสากทีทีนี้ถ้าไม่ทนที่จะเจริญนะเราต้องไปทนเรื่องอื่นทั้ ง, ท, งทั้งที่ไม่ควรจะทนใช่ไหมทนฟังธรรมเนี่ยทนไม่ก็ได้แต่ถ้าให้คนบ่นนะบ่นอยู่ตลอดชาตินี่รับฟังได้เสมออย่างนั้นนะก่นหน้าคิดเออทไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้บทว่า ปฏิวิทาตันหาชาณโตปะสะโตัสตโนนติกินจะนังความว่าหากนิโรสัจจานั้นอันผู้จะตรัสรู้โดยสัจฉิกิริยาพิสมัยเมื่อว่าโดยวิสัยโดยกิจและโดยอารมณ์คือจะบรรลุนิพพานเนี่ยต้องบรรลุดโดยอารมณ์นะการและก็ตรัสรู้โดยไม่งมงายทุกขสัจต์นี้ตรัสรู้โดยปริญญาพิสมัยมัคสัจตรัสรู้โดยภาวนาพิสมัยและก็การตรัสรู้โดยไม่งมงาย เทินิพาเนี่ยเขาเขามีการบรรลุลักษณะนี้ทามาไไ้เถอะเดี๋ยวไปทนในสิ่งที่ไม่ควรทนทุกขศาสตร์นี้บรรลุ ด, ด้วยอะไรปริญญาพิสมัยใช่ไหมปริญญาพิสมัยเนี่ยและอาสัมโมหะ ไม่ลุ่มหลงสมุทัยนี้แตร่สรู้โดยปหานาพิสมัยและอาสัมโมหะคือไม่ลุ่มหลงทีนี้ถ้าว่าโดยอันนี้เรียกว่าโดยกิจนะทุกสัตว์นี้กิจคือปริญญาทุกสมุทัยสัตว์กิจคือปหานะนิโรธสัตว์เนี่ยโดยต้องโดยอารมณ์โดยอารมณ์คือก็เพราะว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์และโดย อะสามโมหะเนี่ยนะพันตรัสรู้พนิพานโดยโดยอารมณ์อรมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างเงี้ไงวัตถุวิญญาณอารมณ์อันนี้โซนเนี่ยมักนนิพพาน อาจารย์นะทีนี้ส่วนมรกเนี่ยตรัสรู้โดยภาวนาก็เป็นกิจอยู่แล้วไงกิจคือภาวนาและอะสมโมหะคือความไม่รุ่มหลงอันนี้แหละที่เรียกว่าจะต้องโดยอารมณ์ด้วยสิมันนี้ที่ยากไหนเนี่ยกิจนี้มีสองอย่างเรียกว่า นี่ไงปริญญากิจปหานากิจสัตยิกิริยาภาวนาอันนี้สี่แล้วใช่ไหมสี่ของอะไรโซดาปฏิมากรแล้วก็คูณสี่อย่างเงี้ยไปเรื่อยสี่คูณสี่เท่ากับสี่สี่สิบหกนี่ยนะก็ต้องเจริญอย่างเงี้ยสี่ครั้งจึงจะบรรลุอันนี้มาเปรียบอุปมาเองว่าบรรลุอย่างนี้โซดาปฏิมากรเรียกว่าหนึ่งแคปซูล ตัวยาแปดตัวเียนะถ้ากินในตัวขนาดนี้ได้ดีนะคุณอารีหายเด็ดขาดแต่ว่าโอโ้แต่ละาเอาแต่ละอนนีม้มาปรุงยากสินะวัคซีนอันนี้หายเด็ดขาดเลยหายจากวัตตะไปเลย ก็เมื่อบุคคลเห็นสัจจะสี่ด้วยปัญญาอันสัมปยุตด้วยอาริยมรตตามที่เป็นจริงอย่างนี้ชื่อว่าย่อมไม่มีตัณหาอันเป็นเหตุนําสัตว์ไปในภพเป็นต้นถ้าถ้าแทงตลอดอาริยสัตว์อย่างนี้แล้วก็พ้นเลยนะพะะ้นวัตตะละตัณหานั้นไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีอย่างเดียวเนี่ยนะกิเลสวัตทั้งหมดก็เป็นอันไม่มีถ้าสิ้นตัณหาก็ถือว่าสิ้นกิเลสสารพัดกิเลสนะ่ยสารพัดกิเลสมีตัณหาเป็นปัจจัย ถ้าสิ้นตัณหาอย่างเดียวกิเลสสารพัดก็หมดถ้าหมดกิเลสก็เป็นอันสิ้นกรรมถ้าสิ้นกรรมก็เป็นอันสิ้นวิบากทั้งก็ละตัณหาอย่างเดียวก็เท่าละกรรมแต่ละกรรมก็เป็นอันละวิบากแล้วทุกข์จากมีมาแต่ไหนไงก็ที่สุดแห่งทุกข์ก็เป็นไปได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศอนุภาพแห่งอมะตะนิพพานอันเป็นเหตุให้สงบระงับวัตฏทุกข์ได้โดยเด็ดขาดแก่พิสูจทั้งหลายเหล่านั้นด้วยประการชนี จริ ง, รงตั้งใจจะให้จบทั้ง 3-4 ส่สูตรเลยก็ได้สูตรเดียวอีก ก็เรายังไม่ได้เรียนถึงอริยมรรคเลยนะคงเป็นเว้นอาทิตย์หน้าหรือช่วงอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปคงจะเริ่มเรียนอริยมรรคนิโรกสัจจะคงเอามาเรียนอีกสักสองครั้งเป็นอย่างมากอ น, นะก็หลังจากนั้นก็จะเจริญอริยมรรคจะจบพอดีก่อนตาอินเดียเป็นเลย